รู้อย่า a m e ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้พี่น้องมีความสุขไหมครับอะไรใช้ที่ทําให้พี่น้องมีความสุขครับมาโบสถ์ขอบคุณพระเจ้านะครับในสมัยก่อนนะครับออตอนที่เป็นเด็กหรือว่ายังอยู่ในวัยอนุชนอะไรเงี้ยนะครับพอถึงวันเสาร์ปุ๊บเราก็จะคุยกันพูดกันเล่นๆ น, นะครับวันพูธวันติสแหมเมาะ พรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกละคือขี้เกียจไปโบสถ์ครับซึ่งตรงกันข้ามนะครับกับความรู้สึกของเราก็คือว่าอยากจะให้ถึงวันอาทิตย์เร็วๆนะครับเพราะว่าอยากจะไปโบสถ์นะครับบางครั้งนักเรียนก็จะบอกว่าสุขสวรรค์จันนรก <c oughs> คือว่าไม่อยากไปโรงเรียนนะครับและโดยเฉพาะเด็กวัฒนานเด็กที่อยู่หอประจําโรงเรียนประจำมันก็ไม่อยากไปโรงเรียนนะฮะสุขสวรรค์จันนรกนี่ก็คือ ใช้กับเขาได้เลยหลายครั้งนะครับเราเมื่อเราได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักนะครับหรือว่าผู้ที่เราปรารถนาที่จะพบเจอนะครับเราก็จะมีความสุขคนไทยโดยทั่วไปนั้นเขาก็จะมีความสุขอยู่กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเมื่อวานนี้คนไทยจํานวนหนึ่งมีความสุขในตอนเย็นอะไรครับ หวยออกนะครับทต่างจังหวัดนี้วันวันที่หนึ่งหรือว่าวันที่16ตอนบ่ายมานี่ก็จะหยุดไม่ทำอะไรนะครับอยู่ที่หน้าทีวีหรือว่าหน้าวิทยุรอฟังหวยนะครับแม้กระทั่งพี่น้องเปิดในข่าวในไลน์นะครับไลน์ของพี่น้องก็จะมี ข้อความใช่ไหมครับมีข่าวมีทีวีนะครับหน้าข่าวแรกของพี่น้องก็จะพบว่ า, ามสีสองคนที่ถูกหวยเมื่อวานนี้คนหนึ่งฟลุกได้4ี่ชุดอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็ไม่ได้ด อ, าอ่านรายละเอียดเห็นแต่หัวขา่าวคนเหล่านั้นก็มีความสุขประชากรคนไทยช่วงที่ผ่านมานั้นมีความสุขหลายๆคนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับเขาก็มีความสุข และหลายๆคนหลังจากวันที่13ตุลาคมที่ปีที่แล้วผ่านมาหลายคนก็แม้อยู่ในความโศกเศร้าในครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็ปรารถนาที่จะไปกราบพระบระโมศพของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ขอบคุณพระเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราว่าเราผู้เขียนนั้นมีความสุขที่เขา ได้รับการเลือกและได้นำให้มาอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้านั่นคือความสุขของผู้เชื่อในพระเจ้านะครับในพระวจนะของพระเจ้าตอนบทที่อิสรุดีบทที่65นั้นไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ใช้ร้องในเทศกาลเก็บเกี่ยว เทศกาลคนอิสราเอลนั้นโดยพื้นฐานในพระคัมภีร์เดิมนั้นก็คืออาชีพของเขาก็คือการทำเกษตรกรรมนะครับทุกคนก็ส่วนก็จะเป็นเกษตรกรเป็นผู้นําเป็นนักบริหาร น, นักการเมืองนะไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่สิบเอดเผ่าก็จะเป็นเกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีหนึ่งเผ่าที่เป็นนักการเมืองนักปกครองและเป็นพระก็คือเผ่าเลวี เขาต่างจะมีโอกาสได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญในริษทานุภาพของพระเจ้าที่โรงทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างเป็นผู้ทรงควบคุมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีได้รับการไถ่ได้รับการยกโทษนั้นยิ่งทําให้เขามีความสุขมากดังนั้นการนมัสการของเขานั้น จึงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการนมัสการและดนตรีศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการก็สลับกันไปก็สลับกันมานะครับการนมัสการนั้นคืออะไรครับมีความหมายว่าอย่างไรการนมัสการเป็นการที่เราตอบสนองต่อพระราชกิจของพระเจ้าในการกระทําพระราชกิจของพระเจ้าตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าคำว่าน้ำมสการนะครับในภาษาไทยนั้นแปลมาจากคำว่าน้มะกับคาว่าอาการน้มะแปลว่าประนมเคารพนบนอ บ, นอบยอมจำนวนกับอาการก็คืออาการที่เคารพนบนอบยอมจำนนยอมรับคือซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษนั่นะคือ โ o r s h i p ที่มาจากรากศัพท์ของคำว่า Worthy คือการที่เราได้คือการได้เห็นผู้หนึ่งผู้ใดที่สมควรได้รับการสรรเสริญนะครับหลายครั้งเราก็จะร้องเพลงภาษาอังกฤษโบ r ์ชิและทั้งหลายนะครับก็ร้องยาวๆของฮิวซองนะครับนั่นแหละมาจาก นั่นคือรากของรากฐานของการนมัสการเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสมควรจะได้รับการสรรเสริญสมควรได้รับการยกย่องด้วยพระราษฎรสง่าราศรีฤทธานุภาพของพระองค์นั่นเองในบ่ายวันนี้นะครับการที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบานนั้นเราต้องมีเหตุนะครับไม่มีเหตุก็ไม่มีผล บางคนอาจจะมีเหตุให้เศร้าบางคนอาจจะมีเหตุให้มีความชื่นบานครับเมื่อวานนี้ผมมีเหตุให้เศร้านิดหนึ่งเพราะว่าลุนเชียงรายซิปอยู่ในเตดให้ชนะสามนัดรวดปรากฏว่าแพ้คาบ้านสองศูย์เรียบร้อยเศร้าไปนิดหนึ่งความชื่นบานของเรามาจากประการที่หนึ่งพระพรของพระเจ้าใน สถานน้ำมสการหรือว่าในพระนิเวศของพระเจ้าเราพบว่าในข้อที่1ถึงข้อ4 4นั้นผู้เขียนหรือว่ากระดาวิดนั้นได้พบว่าในสถานน้ำมสการพระเจ้านั้นจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยอิสรภาพเต็มไปด้วยการปลดปล่อยเพราะว่าพระเจ้าทรงฟังคอาอธิษฐานพระเจ้าทรงให้อภัยโทษบาป พ, พระเจ้าทรงปลดการละเมิด แม้ว่าอยู่ในภาวะของการพ่ายแพ้ต่อการทดลองนะครับในข้อที่สนี่ยังได้กล่าวว่าเมื่อความชั่วชนะฆ่าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงอภัยการละเมิดให้ถ้าเราอ่านผิวเผินนะครับมันอาจจะข้ามไปนิดนึงว่าเอ๊ะไม่ไม่ได้สารภาพพระเจ้าก็ยกโทษให้หรือเปล่าไม่ครับอันนี้มันผู้เขียน เมื่อเขาได้เข้ามาอย่างพระนิเวศของพระเจ้าเข้ามาอย่างพระวิหารพระเจ้านั้นเครื่องบูชาแห่งการไถ่บาปนั้นได้ถวายเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นจึงสัมผัสถึงการทรงให้อภัยของพระเจ้าบทเพลงที่สรรเสริญนี้จึงเต็มไปด้วยความชื่นบานการอธิษฐานก็มีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงฟังพระเจ้าทรงฟังตั้งแต่อดีต คนในอดีต ท, ที่นมัสการพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงฟังการถวายเครื่องบูชานั้นพระเจ้าก็มองดูพระเจ้าพอพระทยัยเพราะว่าเขาได้นําสิ่งที่ดีที่สุดมายังพระนิเวศของพระเจ้าแกะแพะลูกนกพิราบนกเขาที่นํามาถวายนั้นเป็นตัวที่ดีที่สุดตัวที่ไรตําหนิซึ่งเป็นตัวแทนของ คนที่ทำบาปคนที่ถวายเครื่องบูชานั้นและพระเจ้าทรงรับและพระเจ้าทรงให้อภัยเพื่อจะให้ชีวิตของคนคนนั้นได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและได้รู้ว่าบาปของเขานั้นได้รับการให้อภัยและการพิพากษาลงโทษนั้นตกแก่เครื่องบูชาเหล่า น, นั้นแล้วในกรุงเยรูซาเลม็มหรือว่าซีโยนนั้นจึง เป็นที่ปรารถนาหลายครั้งเราปรารถนาที่จะมานมัสการพระเจ้าแต่ท่าทีที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นพระวิหารหรือว่าที่เราชุมนุมกันนั้นจึงเป็นที่ที่ได้รับพระพรปรารถนาเราปรารถนาที่จะมาสานที่ที่เป็นพรเป็นที่แห่งความสุขใจซึ่งแม้ว่าหลายครั้งหลายคนบางคน อาจจะมาด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องมาเพื่อจับผิดมาเพื่อ ส, สรุปแล้วก็คือมาจากพระพรก็กลายเป็นพระเพิงในการมานมัสการมาด้วย ค, วคิดว่าจะได้อะไรซึ่งเมื่อเราเข้ามานมัสการพระเจ้านั้นเรามีท่าทีมีทัศนคติว่า เรามาถวายอะไรแด่พระเจ้าเมื่อเราถวายแด่พระเจ้าถวายชีิตของเราแด่พระเจ้าพระเจ้าก็พร้อมที่จะรับแม้ว่ามีความบาปเราสารภาพพระเจ้าก็ทรงยกโทษให้และเมื่อเราได้รับการชำระจิตใจของเราสะอาดทัศนคติความคิดของเรานั้นถูกล้างจะสิ่งสกปรกสิ่งที่เป็นมูลทินนั้นออกเพราะว่จ้าาของพระเจ้าได้กล่าวว่า บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์เขาจะได้เห็นพระเจ้าและเมื่อใจบริสุทธิ์นั้นเราก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าพระสุรเสียงของพระเจ้ามาผ่านมาถึงชีวิตของเราในการมัสการนั้นด้วยคำเทศนานั้นในการนมัสการพระเจ้า ขั้นตอนนั้นก็จะพบว่ามีสขั้นตอนก็คือว่า 1. พระเจ้าทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์สเมื่อเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเราสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระเจ้าสพระเจ้าทรงตรัสพระเจ้าพูดผ่านทางพระวจนะผ่านทางผู้เผยพระวจนะผู้เทศนาและ สคือเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราตอบสนองต่อพระประสงค์ต่อพระวจนะของพระเจ้าเหมือนอิสยาที่ตอบสนองต่อพระเจ้าว่าข้าพระองค์อยู่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดนี่คือการตอบสนองเราตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยการบทเพลงตอบสนอง ด, ด้วยการถวายทรัพย์ถวายชีวิตของเราและ เราก็ออกไปสู่โลกที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยการด้วยท่าทีด้วยท่าสติและด้วยความเชื่อ ว, ว่าเราเป็นผู้รับใช้ของเจ้าในสังคมและโลกการที่พระเจ้าทรงดึงดูดเราได้ให้เข้าหรือว่าพระเจ้าทรงเลือกเราให้เข้ามายัางพระวิหารหรือว่าพระนิเวศของพระเจ้านั้น ให้ใกล้ชิดกับพระองค์นั้นไม่ใช่เพราะความดีความน่ารักหรือแม้กระทั่งเพราะความบาปของเราแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าต่างหากที่พระองค์ทรงให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์และได้นมัสการพระองค์ณนะสถานบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ประการที่สองครับพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อโลก ในข้อที่หถึงข้อที่8นั้นเราจึงพบว่าพระเจ้าผู้เขียนได้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้านอกจากพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรอดแล้วพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างพระองค์ทรงสร้างภูเขาด้วยฤทธานุภาพด้วยกําลังของพระองค์ด้วยอนุภาพของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้พะดุงรักษาโลกพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุม ทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นข้อเจ็ได้บอกว่าพระองค์ทรงระ ง, งับเสียงอึกระ น, นึงของทะเลเสียงอึกระนึงของคลื่นทะเลหรือแม้กระทั่งความเสียงกุลาหนของประเทศทั้งหลายนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าทั้งสิน้นและในพระคัมภีร์ใหม่พระธรรมฮีบรูก็ได้บอกกับเราว่าในปรถมการนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกโดยพระบุตรและพระองค์ได้ทรง ให้โลกนั้นถูกพะดุงรักษาไว้โดยพระบุตรพระสุริเจ้าทรงเป็นผู้ที่พะดุงรักษาโลกนี้ไว้โลกหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งสิ่งที่เป็นสุดยอดของการทรงสร้างของโลกนั้นก็คือมนุษย์ซึ่งพระสุริเจ้าได้ทรงพัดุงรักษาเราทั้งหลายไว้และพระองค์ก็ปรารถนาที่ให้ธรรมชาติ และมนุษย์รวมทั้งพระเจ้าได้คืนดีกันนั่นคือการควบคุมของพระเจ้าที่ทำให้สรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ได้มีโอกาสสรรเสริญพระเจ้าในข้อที่8ได้บอกว่าผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินไกลโพ้นจึงเกรงกลัวหมายสำคัญของพระองค์พระองค์ทรงกระทำให้เช้าและเย็นออกมาโหร้อง ด้วยความยินดีครับโลกสรรพสิ่งธรรมชาติก็ได้โหวร้องสรรเสริมพระเจ้าสองสามวันนี้พี่น้องเห็นคลิปที่หลายคนอาจจะได้เห็นคลิปที่ไฟช็อตบนต้นไม้แล้วก็ผ่านลงดินนะครับต้นไม้เขียวๆไฟแตกเปรี่ยแตกตุ้มนะครับแล้วก็ไฟลุกนั่นคือ ลิแรงของกระแสไฟฟ้า 32,000 ืนโวลต์ที่ช็อตต้นไม้แล้วก็กระแสไฟวิ่งสู่รุดดินแรงขนาดนั้นแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงมีรุปฐานภาพที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและพระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์ของโลกนี้ไว้เราทั้งหลายวางใจในพระเจ้าไม่ได้วางใจใน สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไม่ว่าต้นไม้จะสวยงามหรือว่าะทะเลที่มีความใหญ่และมีอนุภาพร้ายแรงแม้กระทั่งจะกลืน ก, นกินชีวิตของมนุษย์ได้แต่พระเจ้าทรงริธานุภาพยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นและความมั่นคงของเรานั้นจึงเราจึงไว้วางใจในพระเจ้า จอห์นแมกแอเธอร์ ther, นักเทศและนักประกาศได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าพระสนิของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์ mm hmm. เมื่อใดก็ตามที่เราเปิดเผยถึงพระวจนะของพระองค์และเมื่อเราประกาศพระวจนะพระวจนะนั้นก็นำคนมาถึงระคิตเราได้ก็กําลังถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในหนทางที่สุดเพราะเมื่อคนคนหนึ่งได้รับการช่วยให้รอดเราก็เริ่มต้นนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจรงิงและอุทิศชีวิตของเราที่อิศชีวิตของเขาเพื่อถวายแด่พระเจ้าวงจรแห่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้าจึงได้เริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นในชีวิตใหม่ของผู้เชื่อเมื่อผู้คนทั้งหลายได้เห็นคุณความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาก็ได้เริ่ม ที่จะแสวงหาพระเจ้าและมอบชีวิตของเขาไว้กับพระเจ้าแต่เขาจะเห็นจากสิ่งไหนล่ะครับเห็นจากชีวิตของเราที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางที่เคารพยำเกรงพระเจ้าที่ยอมให้พระเจ้าทรงควบคุมในชีวิตของเราเพราะพระนมของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งเลวร้ายใดๆเกิดขึ้นกับเรานอกจากที่พระเจ้าทรง อนุญาตให้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ผมได้อ่านพระธรรมหนึ่งพงกษัตรบทที่19อ่านถึงชีวิตของเอลียาเอลียาเป็นผู้รับใช้ที่ประกอบไปด้วยฤทธิดเดชของพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าก็ทรงฟังแต่ว่าในการพนันขันต่อกับปุโรหิตของพระ บาอันแม้ว่าเอลียาชนะและได้ประหารปุรุหิตของพระบาอันพระคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านั้นปรากฏว่าราชินีเยเซเบลเป็นราชินีที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้ประกาศว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้ หัวของเอลียาเหมือนที่เอลียาตัดหัวปุโรหิตเหล่านั้นเอลียาเมื่อทราบข่าวนะครับหนีหัวซุกหัวุนหนีไปนั่งอยู่ใต้ต้นซากต้นหนึ่งและอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระองค์ข้าพระองค์ต่อสู้เพื่อพระองค์ คนทั้งหลายปฏิเสธพระองค์แต่ข้าพระองค์ยืนหยัดอยู่ในพระองค์แต่ดูสิเขาแสวงหาชีวิตของข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะอยู่เพื่ออะไรขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเถิดหมดอะไรแต่อยากนอนสุขอยู่ใต้ต้นซากเป็นพี่น้องครับสิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าทูตของพระเจ้าพระเจ้าส่งให้อกาข้าบขนมปังมามาวางไว้บน ที่ศีรษะใกล้ๆกวกศริษัหัวใ ก, ใกล้ใกล้ที่เอลิยานอนหมดอะไรแต่อยากนั้นแล้วทูตของพระเจ้าก็สกิดเจ้าทำอะไรที่นี่ลุกขึ้นสิกินสิเพื่อเจ้า จ, จะมีกำลังแม้ที่คนที่หมดกำลังคิดว่าขอจบชีวิตดีกว่าพระองค์ เจ้าไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ไม่ไละทิ้งนั้นพระเจ้าทรงห่วงใยพระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์ชีวิตของเราไม้ว่าโลกนี้ไม่เป็นอย่างที่ใจของเราปรารถนาแต่พระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์และพระองค์ทรงให้หนทางที่ดีเพื่อเราทั้งหลายจะได้โหร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและประการที่สามสุดท้ายพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และแห่งผลิตผลเมื่อเราอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแม้ว่าพื้นฐานของเขาคืออาชีพเกษตรไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราอยู่ในยุคของป่าคอนกรีตพระเจ้าจะไม่ไวอวยพรเราในทุกอาชีพพระเจ้าทรงวอวยพร พระเจ้าทรงให้อิสราเอลได้รับความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าทรงให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพระเจ้าทรงเทพระพรพระเจ้าทรงให้ที่ดินที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ได้ให้ประชากรของพระเจ้าที่จะมีโอกาสได้ร้องสรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นบานพี่น้องที่รักครับ พระเจ้าพระองค์ได้ช่วยเราเริ่มต้นจากจิตวิญญาณของเราที่ได้คืนดีกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไล่ไถเราออกจากความบาปไถเราออกจากอำนาจของมารซาตานจากอำนาจของความตายพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เนรมิตสร้างจั ก, กรวาลพระองค์ทรงสร้างชีวิตของเราเช่นเดียวกัน และพระองค์ทรงประทานตามความจำเป็นของเราพระองค์จัดหาให้อาจจะไม่ใช่ความร่ำรวยนะครับไม่ใช่ความหรูหราฟรุ่มเฟือยผมล้วใช้พระเจ้ามา20ปีบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีเงินสะสมก็ไม่มีบางเดือน นะครับชำระค่าโทรศัพท์เสร็จมีเงินติดบัญชี30บาทแต่ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่มันมีอีกอย่างหนึ่งคืออยากบอกกับพี่น้องมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากคือไม่มีหนี้มีภรรยาหนึ่งมีลูกสองมีชื่อเป็นเจ้าบ้านบ้านหลังตึกใหญ่ๆเนี่ยนะครับ แต่ไม่ใช่เจ้าของเป็นคนดูแลแต่ไม่มีความทุกข์ใจครับมีคนถามผมว่าอาจารย์ไม่ซื้อรถสักคันนะครับผมก็ถามครอบครัวนะครับถามลูกน้องภูซื้อรถสักคันไหมน้องภูบอกว่าไงครับพ่อมาทำอะไร <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับท่านลูกามว่าพ่อเมื่อไหร่เราจะมีรถนี้คงลำบากใจอีกนานนะครับ แต่เมื่อถามว่าอยากได้รถอยากซื้อรถไหมเขาบอกเอามาทำอะไรพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างครับเช้ามาไปถึงาปากซอยมีรถมารับลูกไปส่งไปถึงโรงเรียนบันไดบันไดรถไฟฟ้าอยู่ที่ประตูโรงเรียนขอบคุณพระเจ้ารถกลับมาจากโรงเรียนรถกลับมาส่งถึงประตูบ้านนะครับไม่ต้องซื้อรถ นี่พระเจ้าทรงจะเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราทุกคนมันเหมือนพระวจนะบอกนะครับไม่ใช่ความร่ํารวยนะครับไม่ใช่เงินทองแต่มันเป็นสันทิสุขเป็นพระพรที่พระองค์ทรงให้กับลูกของพระองค์ผมก็เชื่อได้ว่าพระเจ้าเขาให้สิ่งที่เหมาะสมกับพี่น้องบางท่านเป็นหมอนะครับพระเจ้าก็าให้สิ่งที่จําเป็นที่หมอจะใช้ ในการทำงานบางคนเป็นสถาปนิกนะครับพระเจ้าก็ให้สถาปนิกเกิดขึ้นในใจเพื่อเราจะสามารถนึกคิดอะไรสิ่งทุกอย่างในการออกแบบในการทำงานบางคนเป็นครูเป็นผู้บริหารเป็นวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับผู้ปกครองดรชาตรีมาอยู่กับเรารอดีตสมาชิกขิจาวัฒนานะครับก็ไปร่วมกับขิจักราชเทเวีนะครับเป็น M อ็อ เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยนะครับพระเจ้าก็ให้สิ่งที่จำเป็นเพียงพอนะครับในการที่เราจะรับใช้พระองค์ในสังคมและโลกและในสิ่งที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งอาหารสุขภาพร่างกายนี่คือพระพรของพระเจ้าที่ให้กับเราเพื่อเราจะโห่ร้องสรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นชมยิน ด, ดีด้วยความชื่นบานนี่คือพระพรของพระเจ้า ซึ่งเป็นสถานการณ์และสภาวะในความเป็นจริงที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับลูกของพระองค์มีเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กที่ยากจนแต่ในความยากจนของเขานั้นพระเจ้าสิ่งประทานสิ่งที่เขาเราเรียกว่าได้รับการชดเชยนั่นคือความฉลาดและความขยัน เขาจบเรียนจบเพียงชั้นปถมนะครับแต่ว่าในความขยันลาดฉลาดและขยันของเขานั้นเขาก็ไม่ได้ย่อท้อเขาได้รับเป็นแม้ว่าจบปถมนะครับเขาได้รับเชิญให้เป็นครูในโรงเรียนที่บ้านเกิดของเขาแล้วก็ทำงานชอบในการเขียนเขาได้รับการเชิญให้เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และเมื่อเขาได้ตอนรับพระทานรเจ้าเขาได้รู้ว่าชีวิตของเขานั้นมีคุณค่ามาก เขาได้รับเชิญให้เป็นผู้อภิบาลในคริสจักรแห่งหนึ่งในคณะเมธอดิสต์แต่สุขภาพของเขาไม่ค่อยจะดีนะครับในการเป็นผู้อภิบาลนั้นไม่ค่อยสะดวกนั้นจึงเขาจึงลาออกและมาทำงานขายประกันนะครับคนทำงานขายประกันในที่นี้อาจจะมีนะครับ รายได้ไม่แน่นอนไม่เหมือนมนุษย์เงินเดือนอย่างเราทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนเขาได้เป็นพยานและบันทึกประวัติประสบการณ์ชีวิตของเขาในพระเจ้าว่ารายรับของผมนั้นไม่ได้มาอย่างเป็นกรอบเป็นกรรมไม่ว่าเวลาใดก็ตามทั้งนี้เพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ถึงกระนั้นก็ตามผมไม่ลืมที่จะบันทึกลงไปว่า พระสัญญาแห่งความศรัทธซื่อเที่ยงตรงของพระเจ้านั้นไม่เคยล้มเหลวพระเจ้าประทานสิ่งที่ดีให้ซึ่งเต็มล้นในใจของผมด้วยความยินดีแลเขาก็ชอบที่จะเขียนบทกรอนนะครับเขาเขียนบทกลอนอันหนึ่งซึ่งอยู่บนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าในบทเพลงขําครวนบทที่สข้อที่ 21- อถึงยี บอกว่าข้าควรวน์บทเพลงขําควรวนบทที่3ามข้อยีถึงยีาพี่น้องอาจจะนึกไม่ออกแต่พ้ผมจะเกลื่นขึ้นมานะครับพี่น้องอาจจะนึกได้ก็คือว่าเยเรมีได้กล่าวว่าข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ว่าข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นมาเมื่อคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นไม่เคยหยุดยั้งพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุด เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักเราร้องเนเพลงได้ขึ้นใจนะครับจากพระคัมภีร์ข้อนี้โทมัสโอซิสโฮมนะครับคือผู้ที่เขียนบทกลอนที่บอกว่าพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อคือพระบิดาเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเหมือนเงาเช้าค่ำผันผวนความรักเมตตาของพระองค์ไม่เคยแปรปรวน ท่วนทุกสมัยสืบไปเป็นนิจนิรันต์ฤดูเวลาไม่ว่าหนาวหรือร้อนด้าราตะวันจันทรพรหมปักษ์ษาคณาป่าไม้ใหญ่น้อยร่วมกันสัมดงว่าพระองค์ทรงสัตซื่อและทรงรักเมตตาพระเจ้าทรงยกโทษให้ประทานความสุขใจพระองค์สถิตยอยู่ใกล้ทรงช่วยแนะนำคำชูกำลังให้ข้าวันนี้วันข้างหน้าทรงอวยพระพรมากมายเหลือจะนับได้ไหครับ ประสบการณ์ของผู้คนและโดยเฉพาะคนที่ได้ประพันธ์บทเพลงในที่เราเรียกว่าหิมหรือว่าเพลงนมัสการนะครับที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีนั้นเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสัมผัสถึงการทรงให้อภัยของพระเจ้าและเขาก็มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าและมีการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า แม้ว่าโลกนั้นจะเปลี่ยนไปเหมือนฤ ด, ดูกาลในอดีตปีละสามฤ ด, ดูกาลปัจจุบันวันละสามฤ ด, ดูกาลแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงรักมั่นคงเพื่อจะประทานพระคุณและเมื่อเราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าอย่างนั้นเราจึงมีความชื่นชมยินดีผลิตีผลชาวเกษตรตะกรนเกษตร ทั้งหลายได้รับและพระองค์ก็ทรงให้เราทั้งหลายในอาชีพการงานในสุขภาพร่างกายแม้ว่าเราอยู่ในอาชีพหรืออยู่ในวัยเรียนผมเองหนุนใจพี่น้องและลูกหลานนะครับแม้กระทั่งคนที่อยู่วัยเรียนอันนี้ไม่อยู่ในสคริปต์แต่พูดตอนนี้เลย พี่น้องที่อยู่ในวัยทำงานผมเชื่อว่าท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าอยากจะหนุนใจลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียนครับให้เราที่จะวางใจงในพระเจ้ารับใช้พระองค์มาโบสถ์อ่านพระคัมภีร์มาชั้นระวีรับใช้พระองค์ตามกำลังที่เราจะทำได้ผมเองเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งจะว่าเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ที่ส่วนใหญ่นั้นผลการเรียนไม่ได้พอใจนะครับแม้ว่าตอน เ, อเรียนอนุบาล น, นั้นครนครูไล่นะครับเชิญขึ้นไปอยู่ปนหนึ่งเลยเรียนเร็วไปหนึ่งปีนะครับในสมัยอดีตนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่เรียนหนังสือได้นะเขาก็จะผลักดันให้ขึ้นไปไม่ต้องสอบเทียบกันสมัยนี้นะครับครูเขาเชิญขึ้นเลยนะฮะผมก็ถูกเชิญขึ้นเทอมแรก สอบได้ที่สก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่พอจบประถมนี่รู้สึกที่โน้นฮะโลโลน่นนะครับแปลว่าสุดท้ายโลนะครับตอนเรียนมอนหนึ่งครับคนหลายคนอาจจะเคยได้ยินผมเล่าแล้วนะครับมอนหนึ่งเทอมแรกประทับใจมากผลการเรียนเหมือนกับเสาไฟฟ้า เกรดหนึ่งตรงเลยครับเหมือนเสาไฟ <c oughs> จำได้แม่นนะครับมีกี่วิชาไม่รู้นะครับได้เกรดสามสองตัวที่ประทับใจคือเกรดสามสองตัวนะครับเกรดสองสามตัวเพราะมันสลับกันจำได้ง่ายที่เหลือหนึ่งหมดนะครับสีนี้ไม่เห็นเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าจบมสามได้เกรดเฉลี่ยหนึ่งจุดเจ็ดแต่ได้หัวต้าเหรียนสถา ป, ปัตต์มอสี่แล้วก็ ตอนจบมัธยมก็มีสี่เยอะหน่อยนะครับเกจเฉลี่ยก็พอลุ้นได้สองกว่านะครับแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเดือนกุมภาพันธ์ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับปีนี้เขาสอบหัวต้าเข้ามาหาวิทยาลัยกันหรื อ, อยังครับคุณอาจารย์บอกว่าไงครับโอ้มาไปอยู่ไหนมาเขาประกาศกันผลกันหมดแล้ว <c oughs> นะครับไม่รู้เรื่อง แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าก็ไปเรียนไปเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีกลับมาโ อ, อ้ขอบคุณพระเจ้าเกียรติเฉลี่ย 3.3 กว่าในโะ อ, อ้โหไม่เคยได้ในชีวิตแล้วก็ก็ไปเรียนต่อวิทยาลัยครูนะครับเรียนอุตสาหกรรมศิลป์ขอบคุณพระเจ้าครับทั้งรุ่นผมได้เกียรติเฉลี่ยสาคนเดียวก็ จากที่โหลกลายเป็นที่หนึ่งครับแล้วก็ชีวิตก็พลิกผันพระเจ้าก็เคยผมเคยถวายตัวที่จะให้พระเจ้าเรียกรับใช้พระเจ้านะครับแต่ก็หันไปทางอื่นทางอาชีพต่อจนจบอุดมศึกษาคราวนี้ก็ลองสอบบรรจุครูสอบครูเอกชนนะครับแต่เป้าหมายใหญ่ก็คือเรียนต่อะกิสธรรม ในโรงเรียนไ ม, ไม่เล่านะครับแต่อยากเป็นพยายนว่าตอนเรียนพัคคิสธรรมเนะี่ยรุ่นผมมีสามคนเรียนสามปีนะครับผมจบคนแรกครับปีที่สี่บางทีคุยแล้วพูดเล่นกันกันกบอาจารย์อัมพรภรรยานะครับว่าผมรอจบพร้อมเขานะฮะจริงๆหลักสูตรผมเรียนสามปีแต่ของปริญญาตรีตเขาเรียนสี่ปีผมก็เรียนสี่ปี ได้จบพร้อมแฟนอะไรนี่นะฮะแล้วปรากฏว่าคราวนี้ผมก็ได้ที่หนึ่งเองครับเพราะผมจบเป็นคนแรกอีกสองคนนั้นยังไม่จบเขาจบปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่หกเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมอะไรยังไงนะครับจับแต่เมื่อลองมองย้อนกลับไปนั่นคือการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าหนุนใจเด็กลู ก, ล, กลูกหลานนะครับ เมื่อเรามอบเวลาของเราไว้กับพระเจ้าผมเองนะครับก็จะรับใช้ในงานอนุชนประชุมเรียนพระคมภีตามบ้า น, นวันเสาร์นะครับไปไม่เคยขาดไปโบสถ์วันอาทิตย์ไม่เคยขาดครับไปเรียนต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์กลับบ้านเพื่อจะได้มาร่วมงานที่โบสถ์นั่นคือ สิ่งที่ผมทำในสมัยเรียนและสุดท้ายพระเจ้าก็ให้สิ่งที่ไม่ได้คาดคิดพระเจ้าให้ที่หนึ่งทั้งสองระดับตอนสุดท้ายตอนที่เรียนแต่พเไมาว่าที่หนึ่งนั้นไม่ใช่ว่าความภูมิใจแต่ว่าคือพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราขอนุใจรรบทุกคนนะครับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงดีพระองค์ทรงสัตซื่อและพระองค์ ไม่เปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายจะได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีครับสุดท้ายผมมีคลิปบทเพลงพระองค์ผู้ทรงสัตว์ซื่ออันนี้ผมทำขึ้น YouTube เมื่อสักสี่หปีที่แล้วนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้แต่ว่าแม้ว่าชื่อเพลงมันสังกฤษแต่ว่าเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยนะครับเพลงพระองค์ผู้ทรงสัตซ์ซื่อนะครับเดี๋ยวดูคลิปด้วยกัน เพื่อเราจะได้สันเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับ พระองค์สถิ ทุกมือชาวคำความเมตมีาหม่ใหม่เมื่อข้าต้องการสิ่งใดพระองค์ประทานให้พระองค์ผู้ทรงสัตสิแกข้า พระองค์ผู้ทรงสถิตถกมือชาวขำคขวัญ สี